สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาสมเด็จพระบรมโลกน า, าศสัสดาจารเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายท่านจงมีความรักความเอ็นดูสัตว์โลกนี้แลวโรประเสริฐตรัศนีแล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 พันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุคคลที่เป็นโจรพระผู้เป็นเจ้าว่าให้ข่มขีนั้นก็พูดจะข่มขีโจรจะพึ่งข่มขีอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจิงถวายพระพรวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ที่จะข่มขีโจร น, นั้นก็ต้องข่มขีตามโทษ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 พันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาเกษณผู้ปรีชาอนุมัตโตตถาคตานังที่พระผู้เป็นเจ้าว่าการฆ่าโจร น, นั้นมิได้ฆ่าโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วจะควรฆ่าด้วยเหตุไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาเกษจรจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้เปรเิฐการฆ่าโจร น, นั้น